ซึงเป็นประสูน์ที่ประสงค์ใช้สวดในพิธีต้องการทำบุญเจ็ดวันสิ้าวันอะไรตอะไรตลอดถึงการทำบุญประจำปีที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ที่ตายแต่มาทั้งหมดที่ท่านกำหนดขึ้นสวด เป็นการสอนให้คนมองความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเป็นการศึกษาแนวของสภาวธรรมแล้วก็แต่ละหมวดที่จริงก็พูดเรื่องเดียวนะฮะพูดเรงเดียวกันเป็นประสูต์ที่เกิดขึ้นโดยอัจิยะัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระประสงค์จะทรงแสดงถึงความจริง โดรับสั่งไว้ในตอนต้นว่ารัาธรรมนูจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตด้สังขารทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารัฐธรเพียงแต่นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงประกาศเท่านั้นเองซึงก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ะ ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าชาวโลกเราทุกคนถ้าสราบใดที่ยังเป็นผู้ทชนอยู่ก็จะมีความรู้สึกนึกคิดที่ท่านเรียกว่าวิป ล, ลาสคือไม่ยุติด้วยความจริงแล้วก็มีปัญหาจากจุดของวิป ล, ลาสเนี่ยนำไปสู่เรื่องราวต่างๆอีกเป็นนั้นมาก มีการเบียดเปลี่ยนเข่นข่าประทุสร้ายการสร้างบาปสร้างกรรมต่างๆเยอะแยไปหมดเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราจริงๆางการต่อสู้ของชาวโลกผมก็ต่อสู้ในแนวนี้ซึ่งกฎ น, นี้ก็ไปโดยการมองคนละแนวนะฮะในวิปลาสสูตรซึ่งเคยพูดไว้นานแล้ว ทรงแสดงว่าชาวโลกนั้นมองวิปลาส ค, คือไม่ยุติโดยความจริงในสีเรื่องไปมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามในการคขวยคว้ า, วาสแสวงหาปรุงแต่งประดับประดายื้แยงจนถึงปราดประหานต่อสู้กันเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นสิ่งเหียดนั้นแต่ว่าจริงแล้วมันก็ไม่ ไ, มได้มีอยู่อย่างแท้จริง เพียงแต่เป็นการปรุงขึ้นเป็นการคิดขึ้นเป็นการกำหนดหมายขึ้นของบุคคลสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่โดยแท้จริงหรือไม่มีอยู่เป็นการสากลตแต่มีอยู่โดยการปรุงของจิตเป็นอุปาทานที่เข้าไปยึดติดเอาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสที่ถูกกำหนดว่าสวยว่าไพเราะเป็นต้นก็มีลักษณะอย่างนั้น สิ่หนึ่งก็คือมองสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็หลงยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นๆคอยคว่าปราถนาแสวงหาเพื่อครอบครองสิ่งนั้นมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์กว่าเป็นสุขก็หลงยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ โดยมีพื้นฐานสำคัญคือมองสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ว่าเซลโรคมันก็ถูกคุ้มหอเอาไว้แต่นั้นเองจึงไม่เห็นประจักษ์สิ่งนั้นตามความจึงทรงใช้คาในประสูตรตรงนี้ว่า ธรรมะทิฏฐตาธรรมนิยาบรตาเรว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของมันแล้วก็โดดตกอยู่ในเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เราพูดสำนวนหนึ่งว่าเหตุปัจจัยแต่เราสังเกตว่าเวลาพูดลึกๆ พ, พูดพูดถึงความจริงเราจะใช้คาว่าเหตุปัจจัยผ ม, มาสรุปรวมที่ปั ปฏิจจสมุปาที่เรียกปัจจัยการก็คือสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือสิ่งที่อาศัยการอะการเกิดขึ้นถึงนี้เป็นปัจจัยเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยเกิดสิ่งนี้ที่ท่านเรียกว่าอธิจัสมุปปนาธรรมภาษาทีกเยอะเลยนะแต่ภาษานี้ได้โปรดสังเกตว่ามันเป็นการเรียกเอาตามตามสมมุติบัญญัติ ที่สามารถสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ให้เข้าใจได้พระเจ้าก็ใช้คำเรียกพระธรรมคัเดีย์บางทีมีคำเรียกเป็นสิบสิบคำเพราะอะไรเพราะว่าผู้คำบางคำในคนไม่เข้าใจพระเจา้าทก็เปลี่ยนกันท่านและถ้าเรามองในแนวที่ถ้ามีคนก็ต้องการคัดค้านต้องการโต้แย้งเนี่ย จะต้องมีอุปมาอุปไมยมีตัวอยา่างมีการสอบถามมีการถามกลับไปมีการชี้ให้ดูเพื่อจะบัรทอนความยุติดของคนเราหนั่นอย่างแนวของมิลินปัญหาซึ่งพระอรหันต์ท่านตอบนะครับเราสลองอ่านดูก็ได้นะครับ่าเรื่องเรื่องเดียวนี่ พยามิลินท่านก็ต่อต้านท่านบอกว่ายุไม่เข้าใจพัญหากระแงก็ต้องอุปมาอุปมาแล้วก็ไม่เข้าใจเอาหมาบพิษอุปมาอื่นยังมีอยู่อีกอุปมากันอยู่นั้นนะะอุปมาเทียบเคียงยกตัวอย่างแล้วก็ใกล้ตัวทีไอใกล้ตัวบางทีเนี่ยมันมันก็ไม่มีตรงนั้นนะฮนะเพราะไปพูดกันในวงัง ท, ท, ที่ตอบมิรินปัญหาไม่ได้ตอบในในวัดเป็นการตอบในวังเพราะพยายามพยายามิรินท่านก็กลัวจะเสียหน้ า, ากลัวจะแพ้ก็เลยก็นิมนตประนักเกษไปตอบในวังตัวอย่างบางอย่างเราก็ตึงเอาใช้ประสบการณ์มาว่ทยาลัยเคยเห็นสิ่งนี้ไหมเคยเห็นสิ่งนี้ไหมเคยเห็นสิ่งนี้หมก็ถามเอพยามิรินบอกว่าเคยเห็นอ้าวก็ใช้สิ่งนั้นเป็นอุปมา แต่ทั้งหมดที่จริงก็ต้องการจะให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่สรงแสดงที่ต้องการจะแสดงสิ่งอื่นเลยกลายเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือประกอบในการสอนในการแสดงสิ่งนั้นในนี้จึงเป็นการพูดแน ว, วเรียกแนววิปัสสนานะพูดแนววิปัสสนาเพื่อเกิดปัญญาหินแจ่มแจ้งทมความเป็นจริงเป็นเรื่องใหญ่ นะไม่ใช่นิ่งๆมันพูดนิ่งๆไปไปอธิบายไปทําไม่ได้เพราะถ้าเรามองย้อนประวัติศาสตร์ยังยังเคยบอกท่านทั้งหลายว่าการมองธรรมะนี่มันต้องมองประวัติศาสตร์ด้วยแม้แต่การจะพูดการแสดงก็ต้องมองประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าความคิดในเรื่องเหล่านี้ ถ้าจิตใจไม่ได้พัฒนาขึ้นไปแล้วมีปัญห า, ม, ามันเหมือนคุณสมบัติทั้งหลายที่ ท, ท, ที่เคยพูดเรื่องคุณสมบัติของภรราริยบุคคลเปนหูชี้ตาชีสามารถรู้ใจคนได้เนี่ยเอาเฉพาะหูชี้ตาชี้เนี่ยนะถ้าใจมันไม่ถึงแล้วยุ่งตายเลยนะเพราะจะไปดูอะไรเขาวุ่นไปหมดเลยไปไปฟังเขาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ยุ่งกันหมดเลย ใช้ทางลบก็ได้นะใช้ทางบวกก็ได้อย่างรัสปูตินเนี่ยฮะแกก็ใช้ไปทางลบจุนยุบไปหมดเลยราชวงศ์รัสเซียรโรมานออพังไปเลยเพราะรัสปูตินนั่นที่จริงแกก็มีระดับอภิญญาน ะ, ะแล้วก็เป็นมิจฉามิจฉาสมาธิมันเกิดมาจากมิจฉาเกิดจากความเกิดจากความเห็นผิดเออสร้างปัญหาได้เพราะงั้นท่านจะพัฒนาจิตขึ้นไป แล้วค่อยพูดยาติพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องใจรักนะให้เราสังเกตว่าอันนี้คือคือสิ่งที่เราใจรักก็สอนเมื่อท่านปัญจวัคคียเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ใช่ไปสอนมันจะไปสอนชาวบ้านโดยทั่วไปถ้าไปสอนชาวบ้านโดไปจะสอนอีกแนวหนึ่งแต่ที่จริงก็คือสอนอันนี้สอนใจรักเหมือนกันสอนเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเหมือนกันเนี่เช่นชราสัพโิจารังาติโตเนี่ยอันนี้สอนทั่วไป แล้วก็คือการเรียนตจลักษระดับหนึ่งเรียนความไม่เที่ยงเป็นทุกเพ น, นตาระดับหนึ่งมุ่งเน้นจริงๆคือมุ่งเน้นให้คนไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคใช้การเวลาใช้โอกาสที่ชีวิตยังมีอยู่เรียบแรงยังมีอยู่สังขารยังไม่แตกดับบำเพ็ญกุศล ส, สร้างเกาะสร้างที่พึ่งของตัวเองก็เรียกว่าตรกามีกุศลผู้ ก, กัน ร, ระดับระดับธรมธรมดาธรรมดา เบลลราเรียนแนวลึกลงไปก็เรียนตรงนี้ที่จริงมันก็เรียนที่ที่ที่ที่ชราธ ม, มมุตินั่นแหละแต่ขยับขึ้นไปในแนวที่จริงๆเรามองในแนวที่มันรวมรว ม, รวมกันอยู่ถ้าก็ตั้งปัญหาถามว่าทำไมคนยังไม่เห็นอนิจจังทุก ข, ง ข, ง ข, งขงังในตากมันมันมันเห็นได้ระดับระดับอ่านนะฮะระดับคิดเอา ระดับพูดได้แต่ว่าคำว่าเห็นในความหมายที่ท่านว่าเห็นเนี่ยมันต้องไปลดไปลดความรู้สึกว่าเป็นเราความความรู้สึกว่าเป็นของเราความรู้สึกว่าเป็นเราความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนของเราได้ด้วยนะถึงถือว่าเห็นมันก็เหมือนกับคำว่าสว่างเนี่ยมันลดมืดได้ด้วยคำว่าอิ่มก็คือหิวมันหายไป้วย คำว่าหายคือป่วยมันหายไปด้วยอาการป่วยมันหายไปด้วยมันมันไม่ได้แค่ว่าพูดเฉพาะจุดใด จ, จุดหนึ่งในการพูดถึงสิ่งหนึ่งนั้นหมายหมายความว่ามีสิ่งหนึ่งอีกหลายๆสิ่งนี้ต่อกับสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยจะพูดหรือไม่พูดก็ตามนะแต่เราต้องเห็นสิ่งอีกที่เกี่ยวเนื่องกับเขาด้วยเขาเรียกว่าความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันคล้ายๆกับน้ำท่วมน้ำลดเราก็ต้องเห็นถึงกันและกัน ถ้าน้ำท่วมน้ำลดฝั่งที่จเจ้าพยาก็แสดงข้างบนมันก็ลดก็ลดก็ลดด้วยกันนะฮะลดก็ลดด้วยกันเพราะความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการใดกันนั้นการการที่คนไม่เห็นเนี่ยเพราะตามปกติแล้วเรามีการปรับปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยเร อ, ยอิริยาบถ ท, ทั้งหลายเราก็ปรับเปลี่ยนยืนเดินนั่งนอนในวันน้ำมันลดสามอะไร ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายในยืนเดินนั่งนอนไม่ได้นับเอาไว้นับนนเยอะเหลืเอเกินเพราะการที่เราผัดเปลี่ยนอยู่ที่เดียวทำให้ไม่ค่ยเห็นความทุกข์ชัดเจนเวลาพระพุทธเจ้าต้องการจะเห็นทุกข์ชัดเจนนั่งไม่ลุกแต่หลายเนยกออกนะฮะก่อนจะรู้พระพุทธเจ้านั่งไม่ลุก อธิฐานระไถ่แม้เลือดเนื้อในกายก็ราจะเกิดแทงไปอย่างเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าไม่ได้สะสมไม่ลุกขึ้นไม่ลุกขึ้นใน ต, ตอนนั่งชั่วโมงสองชั่วโมงแรกมันไม่แปลกหรอกแต่พอนานเข้าเนี่ยมันก็แสดงทุกขเวทนาเห็นไหมพอเจริญปฐนาภเวที่นั่นมันทุกกเต็มไปหมดเลยเวทนาที่ปรากฏที่มันชัดร่างกายกระดูกก็เดียวมันจะแตกเอาะนั่นก็ใช้วิธี ใช้วิธีที่เรียกว่าไม่ผัดเปลี่ยนอิยาบทคือไปตัดตัดตัวที่ทำให้เราไม่เห็นแต่แตัวนี้มันมืดเราไม่เห็นมเมื่อจุดจุดแสงสว่างขึ้นมันก็เห็นทีนี้ถ้าถามว่าทำไมเราจึงเราจึงไม่เห็นความไม่เที่ยงการที่เราไม่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเพราะว่าสิ้น้ะหลายมันถ่ายอ่อยกันมันถ่าย่อยกันเป็นคลื่นมา กระแสไฟกระแสน้ำชีวิตเราที่จริงเราก็เกิดดับอยู่ทุกขณะก็ตายอยู่ทุกขณะเรียกคณิกาโมนะเราตา ย, ยทุกขณะแต่พอดีมันก็มีสิ่งที่เกิดทยอยกันมาทยอยกันมาเรื่อยๆก็ทำให้เห็นมันคล้ายๆก็ต่อนเนื่อง แล้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือเรามีการประดับประดาปรุงแต่งวิธีการต่างๆยิ่งในปัจจุบันใช้สัญญกรรมปลาสติก็ได้เขาช่วยมันก็หลอกตัวเองหลอกคนอื่นกันอยู่ได้ดั่นนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่ง น, น, นั้นแสดงให้เห็นว่าราก็รูปมันไม่เทีง่งไม่เทียงแท้ไปยั่งยืนไม่คงทนวิธีชีวิตเราก็ไปเกี่ยวโยงกับสิ่งเหล่านี้ แล้วค่อนข้างรู้แต่แทนที่จะลดมันไม่ได้ลดท่านเรสงสังเก ต, ตเวลรกินอาหารเอารีบกินเที่ยเดี๋ยวจะเย็นก็ แ, แสดงว่าเราหลบมองเห็นความไม่เที่ยงอาหารนี่วางไม่นานปเดี๋ยวจะเย็นแต่ว่าพอกินเข้าไปมันก็ต้องการควาอมอร่อย ม, มันก็เพิ่มตันหาเพิ่มความอยากพระเจ้ า, าจึงตัดตรงนี้ให้เราสังเกตนะฮะตัดตรงนี้ออก ทานอาหารเอาอหารใส่เข้าไปในบาตนั่งดูนั่งพิจารณาบางทีเอุปนกันเรียกว่ามิ ส, มสการหาโรอร า, หารอาหารมาปนกันเพื่ออะไรเพื่ อ, เ พ, อเพื่อจะตัดไอเย็นร้อนออกมันก็ลดความอร่อยลงไปแล้วก็ตัดตัดรสตัดกลิน่นมม่ออกผสมกันจนถึงบางองค์ที่ท่านเล่นแรงๆอย่างสมเด็จโตเนี่ยนะสมเด็จพระธาญจานโตเนี่ย อาหารคําใดก็ตามที่ได้รสเนี่ยนะะท่านจะขายทิ้งจะไม่เกินเข้าไปแล้วท่านอาอาหารอาหารมาปนปนกันหมก็นั่งดูเพื่อตัดอะไรเพื่อตัดคําว่าอร่อยตัดรูปสวยๆเห็นไหมฮะรูปที่น่ากินก็ตัดออกไปกลิ่นที่น่ารับประทานก็ตัดออกไปรสที่น่าร่อยท่านก็ตัดออกไปสัมผัสที่น่าจับต้องมันกลายเป็นน่าขยะกขยงอาหารนี่ยขยำปนกันมันก็น่าขยะกขยงังเพื่อลดเพื่อลดตัวตัวตนหา รู้ต่นตนหาอยากอยากดูอยากฟังอยากลิ้มอยากชิมอยากดมอยากอากตก็ตัดออกไปเต็นวิธีการฝึกทั้งหมดฮะเพื่อให้บุคคลมองเห็นว่าเอาก็จริงมันมันมั น, มนไม่มีอะไรแต่ที่ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมีลักษณะที่ต่อเนื่องผสมปรุงแต่งประดับประดากันในวิธีการต่างๆเท่านั้นเองและกระบวนการตัวนี้พระเจ้าก็มานั ตัดด้วยวิธีทุกๆเรื่องแต่เราไปดูแล้วทุกๆเรื่องอะทุกเรื่องมีวิธีลดกิเลสไว้ทุกเรื่องแม้แต่แม้แต่วิธีวิธีชีวิตแบบพระเราให้เราสังเกตว่าตัดรูปสวยๆจัดเสียงไพเราะตัดกิน่นหอมๆตัดรสอรอ่รอยหมดคนเราหลงตัวเองก็ตัดที่ตัวเองเลยโกนผมโกนอะไรอะไรก็ตั ด, ดได้หมดเลยอะไรที่คิดว่าตัวเองสวยงามตัวเอง หล่อตัวเองสวยนี่ตัดออกพิสูจนีก็ปรงผมพระก็ปรงผมสามเณรีก็ปรงผมสามเณรีกับสามเณรในพวกรุ่นดุมรุ่นสาวนะฮะกลังสวยก็กำลังงามมาตัดผมหมดเลยแล้วก็ผ้าอะไรตั้งแต่ที่ที่มันไม่สวยงามไม่ไม่ได้เสริมส่งให้เกิดความสวยงามจนถึงกบินัยห้ามดูกระจกนะฮะ วินัยนี้ห้ามดูซองดูเงาหน้าของตัวเองเพื่อดูความสวยงามแต่ดูเรื่องอื่นได้นะฮะดูจนเป็นแผลเป็นอะไรต่ออะไรได้ดูจะแก้ปัญหาแต่ถ้าดูเพื่อซองดูว่าสวยงามไม่สวยงามมายืนอยู่หน้ากระจกซองไปซองมานี้ไม่ได้ผิดวินัยเลยเพื่อจะตัดกระแสะให้หมดลดกระแสะตรงนั้นแล้วให้มองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนเป็นวิธีการแต่ไม่ได้บอกนะฮะไม่ได้บอกเป็นการเตรียมฐานไว้ เตรียมฐานไว้เพื่อพร้อมจะเจริญวิปัสนาไม่ใช่ไปนิ่งไ ป, ไปไปไปบอกวิปัสนาตรงนี้เตรียมเตรียมฐานเรียกสร้างแค่แค่กับบารมีสะสมไม่ได้เก็บสะสมไม่ได้แล้วแล้วพอพอไปถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นมันจะมองเป็นสากลอ้อไอ้นั่นก็เป็นอย่างนั่นี้ก็เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นก็เป็นอย่างนู้นไอ้ใจที่ขล่อยความมันก็ลดลดการปล่อยความลดเอื้อมลงไปเหมือนก็เจออันนี้ก็บูดอันนี้ก็บูดมันก็มือก็ขดอาหารเยอะประกฏระบุดทั้งนั้นแหละปิดไม่ได้เท่านั้น มือจะคว้ามันก็มันก็กดลดความอยากมันเทาความอยากลงไปอัตราตัวตนเนี่ยทำไมจะเขียนเปนตตาตัวตนเพราะมันมันเกาะกลุ่มกันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนก็เรียกคณะสัญญาคือมันเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนพอเกอะกลุ่มกันเป็นเป็นก้อนเราก็เป็นกาหนดเป็นตัวเป็นตน สั้นลองวิธีที่ที่ทพุทธเจ้าเริ่มสลายสลายความเป็นตัวเป็นตนในเราเห็นนะในกายานุปัสสนาที่เราเรียนมาเนี่ยในสติปัฏฐานสูตรแยกกายเมื่อก่อนไปถึงกไไ็ไม่ไม่ไม่ถึงก็แยกเป็นชิ้นนะฮะดูอิริยาบถดูลมหายใจข้าออกเห็นว่าร่างกายเราที่มันมันมันอยู่ได้เนี่ยเพราะลมหายใจข้าออกเท่านั้นเองหายใจข้าไม่ออกหายใจออกไม่ข้าวก็เสร็จแล้วร่างกายก็แตกตับแล้วสแสดงให้เห็นหนึงไม่เที่ยงเป็นทุเป็นหน้าตา ที่มันอยู่มันอ ย, นอยู่ประเหตุปัจจัยให้อยู่เท่านั้นเองแล้วก็ดูที่อริยาบททุกย่างก้าวทุกการเปลี่ยนแปลงอิยาบทมันมีการเกิดดับดับแล้วไม่เกิดอีกเห็นไหมเราโรคก้าวเท้าแรกก้าวเท้าแรกไปก้าวเท้าที่สองก้าวแรกก็ดับก้าวแรกก็ดับดับแล้วไม่เกิดอีกสมมุติเราจะถอยมาตั้งที่เดิมต้องการจะก้าวใหม่อายุเราก็เลยไปแล้ว เวลาก็เลยไปแล้วนะฮะอะไรตัว อ, อะไรตัวนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะก็เป็นการก้าวใหม่ท่านจะก้าวก็ก้าวอย่าก้กาวใหม่ไม่ใช่ก้าวเดิมว่าเป็นการฝึกปรือเอาไว้แต่หัวใจมันก็ผูผกพัานแย่นะฮนะใจคนฝูกผันก็กายตัวเองแย่แล้วในที่สุดก็ให้ศึกษาอิทธิบททุกอิทยิบทอิทธิบทย่อยทั้งหลายเนี่ยขยับตรงไหนก็ดูตั้งสติแล้วดุกู้ดู เห็นโดยเห็นไม่ความเกิดดับเห็นไม่ความเกิดดับเหมือนก็ดูฟิล์มภาพยนตร์นะฮะฟิล์มภาพยนตร์ที่เราเอามาส่องดูกับแสงไฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามนาันลักษณะเกิดดับอยงไรเกิดดับทยอยกันไปแม้แต่ว่าคนพูดประโยคหนึ่งยกมือนี่ที่จริงการเกิดดับมันเยอะฟิล์มภาพยนตร์อย่างบันทึกไว้ได้ยังยังไม่หมดด้วยซ้ําไปนะฮะเกิดดับมากกว่านั้นดับข้างในนะฮะการดับคองเซนต์ต่างๆเราก็เราก็ไม่เห็นดิ ถึงฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายไว้ถ้าคนยังไม่เห็นมันก็แยกร่างกายเอาเป็นต้องเป็นอาการสาสองเห็นไหมฮแยกแยกส่วนเพราะมันเกาะกลุ่มกันเราก็เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็แยกส่วนออกมาดูได้สูตรประกากายไม่เจอหากายไม่เจอก็ส่งสอนให้ดูว่ามาเหมือนอะไรมันเหมือนก็เอาของไปใส่ถุงไว้ของเยอะใส่ถุงแล้วเทถุงลงมา แต่ถุงลงมาปรากฏไอ้ถุงมันก็ไม่เป็นถุงไอ้ของที่อยู่ในถุงที่เราี่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นนี่ที่จริงเป็นชิ้นส่วนต่างๆออกไปก็ไปตามสถานะเขามาถ้าคนยังไม่เห็นเอาแยกแยกให้เป็นธาตสีเพื่อสลายความเป็นก้อนนะนะที่จริงสอนให้แยกความเป็นก้อนออกไป ถ้าเรายังไม่เห็นก็ให้ไปดูไปดูในตลาดที่เขาขายปลาขายเนื้อขาเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายอะไรต่างๆเนี่ยให้ดูดูซิในควายในหมูในปลาในเนื้อด้วยเห็นก็แม้แต่ไปจ่ายตลาดก็สอนนะสอนกรรมฐานเอาไว้จนถึงก็แยกร่างกายเป็นศพดูศพต่างๆแล้วก็น้อมก็มาหานตัวอันนี้ที่จริงก็คือตัวเสริม ตัวเสริมที่ให้เรามองเห็นความจริงตามกฎกฎเรียกว่าธรรมะทิตตาธรรมานิยามตตาแต่ทีนี้กฎตัว น, นี้มันจะมีหลายนิยามก็เรียกว่าตรรมานิยามมันก็อยู่ที่เงื่อนไขาการกระทําเช่นว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยเจตนาการกระทําพื้นฐานเบื้องหลังการกระทําสมมติเราทำน้าปรุงน้ําพริกด้วยกันเนี่ยนะ คนไทยกินน้าพริกเป็นโดยกันแต่ให้ปรุงน้ําพริก10บคนก็10บรสได้เพราะอะไรเพราะพื้นฐานที่สะสมไว้ภายในใจการรับรับรู้เรื่องน้ําพริกเนี่ยมันต่างกันและรสชาติที่คนนั้นพอใจมันก็ต่างกันปรุงออกมาแล้วเป็นน้าพริกโดยกันเอามาเรียงลองดูก็แล้กันรสชาติไม่เหมือนกันนี่แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมมารยามคือเงื่อนไขที่เราเก็บสะสมไว้ภายในใจเราแล้วก็เจตนาที่ทําในขณะนั้นนั้นตลอดถึงอารมณ์ที่เราทําในแต่และครั้ง เขาก็จึงปรากฏว่ามันไม่ลงตัวเอ๊ะวันนี้วัน ว, น, วนก่อนทำไมทำกับข้าวอร่อยวันนี้ไม่เห็นในเรื่องเลยก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับเจตนาในขณะลักษณะอารมณ์สภาพความคิดจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เสมอกันแล้วบางอย่างมันขึ้นอยู่กับ ล, ลบบื้นชนิดยาขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นอยู่กับชนิดที่ท่านได้บอกกรรมโยนินะฮะ กรรมโยนี้เรามีการเป็นกํามเลยไอ้สิ่งทั้งหลายธรรมชาติต่างๆมันขึ้นอยู่กับชนิดของมันชนิดของสิ่งเหล่านั้นทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าต า, าตาคือมันเป็นในที่มันเป็นน่ะทำไมมาขามเปรี้ยก็เปรี้ยวก็เปรี้ย ว, ย ว, ยวแต่มาอย่า ง, างนึกนาเนี่ยก็นึกถึงว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กกันนะก็มีข่าวเข้ามาเล่าแต่เรามาคิดทีหลังเออ มื่ก็เข้าทีนะฮะไม่ลงตา อ, อหนึ่งท่านท่านนั่งอยู่ริมริมน้าต่างรถไฟแล้วมีคนเข้ามาซื้อมะม่วงแล้วเขาก็ให้ชิมนะให้ชิมราคาก็ให้ชิ ม, มไม่หวานไอ้ลงตามองมาจากข้างล่างโยมโยมโยมต้องการกินหวานก็ไปซื้อน้าตาลเลลงตาค่อนข้างทะลึง่งไม่ยุ่งกับชาบ้านเขา แต่ว่าเราเมองอีกทีนี่คือความจริงว่ามันมันมันคุณซื้อมะม่วงในคุณต้องการกินอะไรถ้าคุณกินหวานคุณอย่าไปซื้อมะม่วงเด็ดเพราะมะม่วงมันพืชมันเป็นอย่างนั้นไงพืชชนิดยามเป็นอย่างนั้นก็ซื้อมะม่วงสุกเดียวจะให้หวานไปซื้อมะม่วงเปรี้ยวจะให้หวานได้ยังไงเอเนีน่มันมันก็ขึ้นอยู่กับพืชครางมันไอหลวงตาพูดก็ถูกนะฮะแต่ก็ค่อน ข, ข้างจะยุ่งชาวบ้านนิดหน่อยแล้วเราก็มามามาคิดดูทีว่าเออไอเ น, นี่ยคือคือพืชชนิดยามของมัน ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ไปต่อตามเขาเป็นอย่างนั้นเองอะ่ะไอตัวนี้ดำจางแข็งไอ้ดำเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเองแหละเห็นหั้มเราก็ปรับใจยอมรับได้ยอมรับตามที่เขาเป็นเลนะแล้วมันเกี่ยวกับอุตกนิยามลักษณะทางภูมิอากาศทาั้งหลายลักษณะของอากาศทีส่สำคัญอยิง่งคือเป็นธรรมนิยามมันเป็นกระบวนการของธรรมะ ธรรมะคือเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเป็นอย่างนั้นน่ดังนั้นตรงนี้ท่านท่านก็แสดงหลักเอาไว้ในการนำไปเทียบเคียงแต่อย่าลืมมาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดคำสอนจะมุ่งเข้าไปตรงนี้เพราะตรงนี้คือประตูนิพพานหมายความว่าถ้าท่านยังยังไปคิดว่ามันเที่ยงเป็นสุกเป็นอัตตาแล้วไม่มีทางไปนิพพานได้เลยนะ ไม่ีทางไปนิพพานได้เลยตรงนี้คือตัวไขประตูนิพพานแต่มันมันทวนกระแสะเยอะทวนกระแสะกิเลสแรงมากเลยคนส่วนใหญ่มันมันเอาไม่อยุดจะลองสังเกตว่าว่าเอาเฉพาะความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นทุกอย่างเดียวนะฮะแม้แต่เนี้แม้แต่คาถาที่พระเอามาบังสกุล เ, เราได้ยินเยอะเลยนะตั้งขานทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การทำใจสงบระงับในสังขารทั้งหลายจะได้ก็เป็นความสุขเขาก็จริงเราเดือดร้อนเพราะสังขารป่วยเราเดือดร้อนเพราะสังขารแตกดับตื่นเต้นกันเป็นโกลาหลเลยนะเราจะเห็นว่าข่าวพระสามข่าวข่าวข่าวพระตายข่าวพระทำพิธีนะนะมีมีสองอย่างที่ดังข่าวพระนี่หลว ง, งปู่ล่าปู่ล่ากัมรณาพระคนก็ตื่นเต้นกันหลวงพ่อก็เสหมวนก่อน งานศบตรงปูเทศเนี่ยประเดี๋ยวก็ตายอีกแล้งคนกำลังรอตายอยู่เยอะเก็สังขารน่มันถึงคราวมันเมื่อวานก็ปรารบเรื่องแบบนี้ออกมาจากโบก็เดินคุยกันมากับเจ้า้นธธรรมบอกอายุมันเหลื อ, อมาบอกอายุมันเหลือคนเราในพระพุทธเจ้าแค่แปดสิบคนเกินแปสิบอายุเหลือทั้นั้นน่ยตายตอนไหนก็ตายเถอะ <S <S มากกว่าพระพุทธเจ้าแล้วจะตื่นเต้นอะไรกันน่ไหน พระเจ้ายังอยู่ได้นะสุดยอดของมนุษย์ที่มันอยู่ได้แค่แปดสิเท่านั้นเองลุงปูล่าได้ตั้ง8ปบห้าลุงปูเทสได้ทั้ ง, 85, งเก้าบสนะนะครับได้ได้กำไรตั้งเยอะเลยอายุเนี่ยตอนนั้นจริงๆก็คือสังขารก็ต้องแตกแต่เพราะใจเรายังยอมรับไม่ได้เราจึงเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้นะฮะเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้ออแล้วก็เมื่อคืนฟังแล้วดี ดีใจนะฮะงานศพหลวงปู่ล่าเนี่ยจะเก็บไ ว, ไว้ไม่เกิน2องสัปดาห์อันนีนน้ี่นี่เป็นเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมมากนะฮะพระพุทธเจ้าทัานไว้เจ็ดวันนั่นเองนะฮะสูงสุดนะฮะศพ ส, สมัยพุทธกาลในวันเดียวนันเองแต่พระพุทธเจ้ามีปัญหาเพราะพระหมากัรสปะยังเดินทางมาไม่ถึง เป็นพระเทรซผู้ใหญ่ที่สุดที่มีชีวิตอยู่ในขณะนั้นถ้าท่านยังไม่มาแล้วเนี่ยมันมันมันเผาไม่ได้เพราะจะมีปัญหาต่างๆที่จะต้องปรับปรุงอะไรอะไรเยอะาศาสนานิพพานปุ๊บ ก, ก, ก็ไปไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยจะต้องมีใครเป็นหลักอยู่แต่เป็นงานศาสนาก็จะรักษาไว้ไม่ได้แล้วก็รอประมาทกา็จะเป็นความประสงค์ของเทวดานะถ้าท่านดูแล้วเนี่ยมีเผาแล้วนะ พระโกรุไฟไม่ยอมติดจุดป่าไม่ติดจุดไม่ติดก็ถามพระนุรุตว่าทําไมไม่ติดอพระนุรุตบอกเทวดาไม่ให้เผาต้องการให้รอพระประมากัตะปะเสก่อนเลยก็กลายเป็นเจ็ดวันจริงๆไม่เลยฮะวันเดียวตันเด้งแล้วทุกวันก็ก็วันเดียวนะฮะก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่เพราอะไรเพราะว่าเป็นการฝึกให้ปล่อยวางสังนคันดับก็คือดับดับก็คือดับเลย ไม่ต้องไปยึดติดอะไรไว้สักพันวันมันก็คือดับแล้วนะวมตถุประสงด์ดแต่มันเป็นภาระที่ต้องแบกขันซึ่งตายแล้วตัวเองไม่ได้แบกแคนอื่นมาแบกกลายเป็นเรื่องคนตายขายคนเป็นโอ้เป็นปัญหาแยอะทุกทาก็สอนให้ปล่อยวางก็ฝึกปล่อยวางมาตลอดนี่ก็คือคือวิธีการที่จะเข้าไปสู่เป้าสุดนั้นเป้าตรงอันนี้จังทุกขังอนานันตาน แต่เวลาบาลีท่านไม่ใช้นิจังทุกขังอนัตตานะเวบสูตตรงนี้ท่านใช้คำว่าอนิจจตาอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงบางทีเราเราเราอธิบายไม่ตรงตามพดวีเจ้าท่านว่าแล้วเช่นว่าความแก่ความเจ็บความพูะเจ้าพูดถึงความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความตายนะความามความนะฮะไม่ใช่คนนะฮะไม่ใช่คน พูดถึงความแก่ความเกิดความแก่ชาติปีดูขาชราปีดูขานําไปีดูการความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกมันเป็นเป็นตัวสภาวะมันเหมือนกับความหวานความหวานนี่มันหวานในตัวของมันแล้วมันไปใส่ตรงไหนมันทําให้สิ่งนั้นหวานหมดความหอมความเหม็นเห็นนะไปเจออะไรมันก็ทําให้เพื่อนหอมเพื่อนเหม็นตามมันไปเพราะนั้นความแก่ความ ความเกิดความแก่ความตายมันมันไปแตะตรงไหนมันก็ทําให้สิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์มันเองเป็นทุกข์โดยสภาพของมันแล้วพอไปเกลียบอะไรมันก็ทําให้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ตามไปด้วยอันนี้จะตาจะมีลักษฎรยงานใช่ควำวมาความคือความเป็นของไม่เที่ยงหมายความว่ามันก็เป็นอย่างนั้นอย่างอย่างที่มันเป็นพระพราะมไปอยู่กับกับใครก็ตามสิ่งนั้นจะเป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่เที่ยง มันไปเกิดที่จานที่กระหมังที่หนังสือที่อะไรต่อไหนก็ตามที่พรมที่เสื้อผ้าที่อาหารที่มันเป็นมันจะทําให้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมันเป็นอย่างที่มันเป็นด้วยเหมือนกับความหวานความหอมความเหบ็นพวกความตั้งหลายเราสังเกตพวกความทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างงั้นตลอดถึงความเมตตาความกรุณาความโกรธเห็นไหมฮะมันเกิดที่ใจใครเนี่ยมันมันจะทําให้คนนั้นเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างที่มันเป็น ใจมันเกิดเมตตาหน้าตามันก็แสดงเมตตาคำพูดก็แสดงเมตตาการกระทาก็แสดงเมตตาอบอกความโกรธเกิดหน้าตาก็แสดงความโกรธออกมาการทำการพูดก็แสดงความโกรธพระพุทธเจ้าใช้ความหมดนะฮะใช้ความหมดมันเป็นตัวสภาวธรรมมีลักษณะสากลเ็นรัตจะมีลักษณะสากลเกิดขึ้นแก่ใครก็จะเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็จะเป็นอย่างนั้น ทีนี้การกำหนดหมายเห็นความเป็นของไม่เที่ยงบาบาลีบางทีว่าเยอะนะครับแต่การว่าเยอะเนี่ยเนื้อหาแล้วมันจะซ้ำของพระพุทธเจ้าจะไม่มากแต่ของพระพุทธเจ้านั้นจะมันไม่ใช่หมกเม็ดนะฮะไม่ใช่หมกเม็ดแต่หมายความว่าจากจุดเนี้ยมันจะไปสู่จุดนั้นเอง จะพูดกุศลจะพูดอกุศลจะพูดถึงธรรมดาก็เหมือนกันพูดไม่ไม่กี่คําอะแต่ว่ามันได้ซ่อนอะไรไว้เยอะในคําคําเนี้คล้ายๆกันในในการปฏิบัติที่จะใช้คาว่าการไม่ทําบาปต้องปวงนะคำสั้นๆนิดเนี่ยการไม่ทําบาปต้งปวงนะการไม่กระทาบาปั้งปวงเนะี่ยใส่กระทาไว้ได้ก็สี่ห้าคำนะั่นเอง อุดเดปฏิบัติตลอดชีวิตยังทำไม่ได้เลยเาะคำว่าบาปก็คำว่าทั้งปวงเนี่ยแต่คำามาไม่กระทำถ้ายังยังกระทำอยู่บางส่วนยังไม่ทั้งปวงก็ยังไม่รับรองผลคำสั้นนิดเดียวแต่เวลาเราออกมาพูดวันวันก่อนมาอ่านเขาพูดถึงคุณสมบัติของครูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเจดปดอย่างนะเราดูแล้วมันซ้ำ โดยเนื้อหาแล้วมันซ้ำมันไม่จําเป็นยัต้องพูดมากขนาดนั้นนะพูดสักคาเดียวก็พอแล้วพูดสักคาเดียวก็พอแล้วเพราะโดยสภาวะธรรมแล้วเนี่ยพอตรงนี้มันเกิดมันก็เกิดมันเป็นกระบวนการกธรรมชาติน้ําท่วมทางเหนือคุณไม่ต้องพูดออกประเดี๋ยวก็ลงมาข้างล่างนะตกพังเหนือตกต่อเนื่องกันมาในประเดี๋ยวน้องแถวยุธยาอะไรก็ท่วมเดินทางนานหน่อยแต่นั่นเองแต่มันก็ท่วม นี่ก็คือลักษณะของธรรมะเป็นเป็นเป็นกระบวนการของธรรมะแต่พระตัตถะอาจารย์เราบางทีต้องก็ว่าไปเยอะนะว่าไปเยอะเราเคยเคยพบเลยที่บางแห่งว่าตั้ง เ, เป็น10บๆข้อเหมือนกันแต่เราอ่านแล้วก็ท่านก็เขียนเนี่ยเหมืนกันก็ซ้ำๆข้อความซ้ําโดยเนื้อหาแลยซ้ำภาษาเนี่ยมันไม่ซ้ำเราดูคล้ายๆกับเป็นเป็นคนละเรื่องกันแต่ลักษณะปฏิบัติมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คล้ายๆกับคำคำขวัญเมื่อหลายปีมาแล้วนะคำขวัญปีนี้ว่าไงจำไม่ได้ก็คำขวัญปีนั้นมันหคำที่มันสะดุดคือมันหกคำมันยาวเกินไปคำขวัญมันยาวจังเลยก็ไปสะดุดเพราะมันออกคำขวัญสงฝ่ายองค์การสประชาชาติก็ออกพันนายกเปรมท่านก็ออกเป็นปีเยาวชนสากลของเราก็ตั้ง สามาังคีมีวินัยฝ่ายคุณธรรมองค์การกระจาช า, ชาก็ต่างร่วมแรงแข่งขันด้วยการพัฒนาฝ่ยหาสันติเมื่อเอามาเขียนมาเรียงกันเออว่าทำไป ม, มันเยอะเลยก็จําได้นะฮะจำได้บอกรกเข้าใจทีวันนี้เราเราศึกษาเราไม่เข้าใจในตัวสภาวัฒธรรมเพราะจริงๆท่านจะเห็นว่าถ้ามองเหตุแล้วมันมีคําเดียวทานเดิงคือฝ่ายคุณธรรมเห็นไหเป้ามันอยู่ที่ฝ่ายหาสันติ ต้องสี่อย่างนี้ที่จริงมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อกระราปลูกต้นไม้แล้วคุณไม่ต้องพูดต้นก็ได้นะต่อไปมันออกดอกออกผลเองเพราะฉะผลดอกมันกเหมือนกับตัวตัวสันติไปคุณธรมก็เหมือนกับตัวพืชส่วนกิ่งก้านสาขาก็สามัคคีมีวินัยรวมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนามันก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะนะเป็นก็เรียกกิริยาปฏิเป็นกิริยาปฏิกิริยาต่อกัน จำนวนาศาสนาถ้าเรียกว่าเป็นปัจจัยขอ ง, งกันและกันสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดก็เหมือนกับต้นไม้นะฮะมองดูสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดหรือแม้แต่อาหารอะไรก็เหมือนจะมีลักษณะอย่างนั้นมันเกิดถยออยกันไปอย่างนั้นเพราะนั้นคว่าไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงทีง่ท่านใช้คําว่าอานิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นสากล น, นะฮะไม่ได้หมายถึงคนถึงสัตว์ถึงสิ่งทุกๆอย่างเนสังขารทั้งหลายนะ เราเองก็เป็นสังขารสัตว์ก็เป็นสังขารกระเป๋าก็เป็นสังขารเสื้อก็เป็นสังขารอาหารก็เป็นสังขารไอส้สกิมก็เป็นสังขารทีนี้ไอ้ความเหล่าเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวเหตุปัจจัยว่าไม่เที่ยงเร็วไม่เที่ยงช้าอยู่นานอยู่ช้าเนี่ยมันก็ดูเหตุปัจจัยที่เกาะกลุ่มกันของสิ่งเหล่านั้นบางทีมันก็เร็วนะทีงก็เร็วบางทีมันก็ช้าหน่อยแต่ก็คือความไม่เที่ยง มันหลีกกฎตรงนี้ไม่ได้ส่วนใดส่วนช้าเป็นรายละเอียดของเหตุปัจจัยสิ่งเดลยวนั้นคล้ายๆกระต๊อกระตึก น, นะฮะมันก็พังด้วยกันนั่นแหละแต่บางทีตึกเราก็อยู่ดูไม่ทันเราตายแต่ก่อนเพราะองค์ประกอบของเรามันมันมันมันมันอ่อนกว่าตึกเยอะองค์ประกอบของตึกมันแข็งกว่าเราเลยตายก่อนแต่กระต๊อบที่เรากระต๊อบตายก่อนเราแน่นอนนะแต่เราใหญ่รีไปรถชนตายเลยนะ กันนี้ก็แสดงว่าทั้งหมดมันก็คือก็คือแตกดับเหมือนกันความเป็นของไม่เที่ยงท่านสอนไว้ซีซซดีด้วยกันนะนะเฉพาะในยะ น, ายานี้แต่มันคลุมหมดนะคือหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าสิ่งนั้นมีกระบวนการของการเกิ ด, ดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือเกิดแก่ตายนะเห็นไหมเอามาเกิดแก่ตาย ความคิดตรงเกิดแก่ตายเนี่ยมันจะไปอยู่ในสิ่งทั้งหลายทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกระบวนการทั้งหมดนี่ยมันก็ออกมาของพรามณ์ก็กลายเป็นพระเจ้ า, าของพราหมก็เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเกิดก็คือพระพรหมตั้งอยู่คือพระนาฬิกาดับไปคือพระศิวะผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายมันคิดออกมาเป็นรูปธรร คิดจะเกิดแก่ตายนะฮะนี้บมโบรมครูนะเกิดแก่ตายในโบรมครูได้พระเจ้าก็เรียนในตรงนี้นะฮะพระเจ้าก็เรียนจะเกิดแก่ตายแต่พระเจ้าเรียนจากแนะก่เรียนจากแ ก, ก, แก่แล้วก็ย้อนกลับไปที่เกิดที่หลังเรียนจากแก่เรียนจากตายสองอย่างแล้วก็กลับไปที่เกิดที่หลังแล้วก็มองเป็นกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสองเป็นการดํารงอยู่ได้เพียงขณะขณะที่มาต่อๆๆ อ, ต, อ, ต, อต่อกัน อยากกระแสไกระ ส, ะะสะน้ำนะก็เรียกว่าเรถตายทุกขณะเราแก่ทุกขณะเราก็เกิดทุกขณะเลยนะเกิดแก่ตายก็เกิดต่อกันไปเป็นทุกขณะเป็นการดำรงอยู่อย่างชั่วครั้งชั่วคราวจะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดียวการมองนั้นก็ไม่ใช่มองทีเดียวรวดนะนะนะฮะไม่ใช่มองที ก็แล้วแต่ว่าเราจะมองเห็นตรงไหนเห็นตรงไหนก่อนก็มองตรงนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเกี่ยวเนื่องถึงกันส่วนใหญ่จะมองในแง่ของความเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับมันดูไม่เห็นหนนะ่นะหลองใช้อุนตราราวมาดูผลวงดูมัน ก, นก็คลายปัญการรักษาโรคไป จริงๆมันไอ้เกิดดับเกิดดับเราจะมองไม่เห็นเราจะมองในแง่ของความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้ไม่คงทนของสิ่งดดนั้นสิ่งที่นำมาดูนะฮะสิ่งที่นำมาดูบางครั้งเนี่ยเอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเร็วจมองไม่เห็นแต่บางอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วนะใจมันค้าตรวอื่นอีกใจบค้าตรงอื่นอี ก, อ, อ, กอันนี้ เปลนแปลงก็ย่งอืนใกลๆอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยกินอย่างอื่นอันนี้ไม่อร่อยกินอย่างอื่นมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆจึงสอนบางทีเนี่ยสอนดูด้วยตาด้วยแล้วฟังด้วยหูด้วยหมายความใช้ทั้งภาพทั้งพจน์ใช้ทั้งภาพทั้งพจน์อย่างที่เคยเล่าที่สอนพระนางรูปนันทาพระกนิษฐาพระกินีน้องสาวนะฮะอาจารย์สอนน้องสาวก็สอนด้วยภาพนี่ละมิดภาพที่ ตอนนางรูปนันทายเห็นเนี่ยมันเป็นสาวสิห้าสิบหกตอนหนึงแล้วก็รูดเดียวแหละภายในไม่กี่นาทีนี่แก่เป็นคนแก่อยู่ร้อยี่สิบเพื่อเห็นความเกิดดับที่เร็วแสดงว่าขณะเราเนี่ยพอเอาการมาออกแล้วมากรนิดเดียวคือจะเกิดถึงตายเนี่ยมันห่างกันนิดเดียดเองเพียงแต่ว่ามันถูกขั่นไว้ด้วยการถูกขั่นด้วยเวลาวันคืนนะฮะถูกคั่นด้วยวันด้วยคืยก็เลยก็รู้สึกมันนาน พอ ก, การออกมันก็ไม่มีอะไรคือชนกันเลยเกิดก็คือตายนะเกิดปั๊บก็ตายปุ๊บแต่พอนี้มันก็ถ่ายหยอดเป็นคลื่นนะี่เลยว่าเลยเราก็ดูคล้ายๆกับเกิดอยู่นานเนะี่ยที่จริงแล้วก็ถ่ายหยอดกันท่านยังเรียกลมหายใจเนะฮะว่าลมหายใจว่าเป็นกายสังขารเป็นสิ่งที่ปลนปลือหล่อเลี้ยงร่างกายของเราดับลงคงอยู่ลมหาใจมันเกิดดับเป็นคลื่นมานะฮะ เ, เกิดดับเป็นคลื่นมาเราลองสังเกตว่าเราหายใจไม่เสมอ มันก็แล้วแต่เงื่อนไขปัจจัยที่เข้ามาประกอบในการหายใจขณะนั้นนั้นท่านั่งท่านอนอะไรอะไรมีองค์ประกอบเยอะเป็นการดํารงอยู่เพียงชั่วขณะแล้วก็ดํารงโูยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงข้ามกลางความแปรปรวนก็จริงตดงนั้นเพรา ะ, ะการการมองชาราดตะมุมิจดังอนาติโตเนี่ยเห็นไหมครัคือมองในแง่ของความไม่เที่ยงเพราะเพราะความรู้สึกว่าเที่ยงน่ะนะฮะความรู้สึกว่าเที่ยงที่มันไปยึดติดยอะ มันไปเชื่อมโยงกับความคิดในโน้นที่เะลิบวสัสตาสติจิตกระแสของสังคมกระแสจิตของมนุษย์นี่มันจะออกมาสองกระแสใหญ่ที่กลายมาเป็นพฤติกรรมคือนิยมวัตถุ ก, กับนิยมเรื่องจิตเขาเรียกจิตตนิยมวัตถุนิยมเห็นไหมฮมนุษย์มันก็มีอยู่สองสายทัวนีเ้เวลานี้ช่างช่างออวัตถุนิยมจักแย่แรงนะความคิดี่จะมองถึงเรื่องตัวเองตัวเองมาก อย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่างที่กฎหมายนะที่รัฐบาลสั่งกวดขันให้ให้ปิดตีหนึ่งเนะี่ยกฎหมายไม่ใช่คาสั่งมันเป็นกฎหมายที่มีมานานแล้วละเลยเฉยๆพอเกิดกวดขันเข้ามาเดินขบวนประท้วงแต่มันแส ด, แสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้คิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะขาดกลัวว่ารายได้จะหดแล้วแต่เราเราก็เห็นว่าพฤติกรรมของคนเหล่านี้ไม่รับผิดชอบต่อสังคม แกประท้วงนะฮะเป็นข้อพิพาทระหว่างแกกับรัฐมันทำไมจะต้องต้องต้องให้ราษฎรเดือดร้อนทาอมดการจราจรชะ ง, งักทั้งสองสามชั่วโมงรถผ่านไม่ได้ตำรวจต้องปิดถนนเพื่อตอบสนองความต้องการกองวลเท่า น, นั้นเองเราก็เห็นอาการเขาเรา ก, ก็อธิบายให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมเราไม่ไม่ไม่ไม่ได้ลืม แม้ในว่าปัญหาต่างๆนะถ้าเราหยุดพวกนี้ได้เนี่ยปัญหามันจะลดลงไปเยอะเพราะตัวนี้เป็นโดวกระตุ้นกระตุ้นสร้างปัญหาสารพัขึ้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยแต่เวลาเขาอธิบายนะฟังได้นะฟังได้เออมสมเหตุสมผลเหมือนกันแต่หมายความว่าเป็นการได้ผลประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กๆแต่ความเสียหายนั้นมันเสียหายในด้านจิตใจนะจิตใจของคน มีความคิดโตกจัดมีความเห็นแก่ตัวต้องการผลประโยชน์แต่คนเราเนี่ยมอยู่ในโลกนานนะอีกตั้งนานเนี่ยมันสร้างลักษณะนิสัยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เราก็จะกลายเป็นปัญหาเยอยะเพราะงั้นท่านจึงสอนให้ให้ให้เห็นทุกระดับแต่มองจากฐานของความไม่เที่ยงจากการที่เรามองว่าเที่ยงเนี่ยทำให้เราเกิดไ่ฟ้ า, ยาอยากได้อยากมีอยากเป็นแก่แล้วอายุตัง้ง จ็ดแปดสิไปยังโลภไม่หยุดเลยเอาไปไหนก็ไม่รู้อ น, นี้เกิดแสดงให้เห็นว่าเป็นการมองชีวิตด้วยความประมาทมันน่าจะปล่อยจะวางนะฮะมันมันมันน่าจะสละจะสละละวางสละละวางอย่างสมภารวัตรวรเนี่ยเขามีประเพณีนะทุกทุกทุกอง์ทุกพระองค์เลยนะฮะแตสมภารวัตรวรมักเป็นสังเรนะแต่นั่นเอง ท่านเก็บอะไรก็เก็บเถอพอถึงวันปราณาออกปัญษาล้างกุฏิหมดเลยเอาของเนี่ยถวายพระหมดถวายทำบุญอุทิศกุศลให้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่สมมุติว่าเก็บก็ต้องเก็บไปนะถ้าไม่เก็บก็มันไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้จะเอาอะไรมาถวายเหมือนกันแต่เสร็จแล้วจะล้างหมดล้างมาตลอดนะล้างมาตลอดถึงจุดหนึ่งนี่จะล้างหมดเลยนั่นคือแสดงว่าปล่อยวาง จุดหนึ่งต้องเก็บไปนะจุดหนึ่งต้องเก็บแต่ว่าเก็บเพื่อจะสละดแต่ค่าเรารวบรวมทรัพย์สินเงินทองเอาไว้เพื่อจะบำเพ็ญสาธารณกุศลส่วนหนึ่งช่วงหนึ่งต้องเก็บแต่ว่าใจนั้นไม่ได้เก็บเพื่อความเป็นของเราเก็บเพื่อไปช่วยคนอื่นอย่างที่เคยเล่า ว, ว่าพระอานนท์ท่านเคยเก็บจีวรมาเป็นแสนผืนนี่นนะเก็บไว้พอพระเจ้าในพานจัดการเรื่องประสบเสร็จ แ, แล้วก็ขึ้นเกวียนแจก ขึ้นเกวียนเนี่นะสมัยนั้นตอนนี้ปัจจุบันเขาใช้รถบรรทุกแล้วก็เก็บไปเยอะเพราะเขาถวายท่านก็ถวายท่านก็ฉลองสัตยาโยมในของนี้ควรจะเป็นบุญมากถ้าก็ไปแจกไแจกตามวัดตามวาในที่ต่างๆจริงๆก็คืออะไรคือถ้าเห็นว่าของนั้นถ้าไม่แจกมันก็เสร็จเหมือนกันคือมันก็ไม่เชี่ยงด้วยมันก็เปื่อยมันก็ยุ่ยไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นการปรับใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เที่ยงให้ได้ประโยชน์มันรีบใช้ถ้าไม่ใช้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคิดมาเราลองสังเกตว่าคำสอนเป็นการปลุกราให้มองเรื่องความไม่เที่ยงมองเรื่องการเวลาอย่าใช้การเวลาผ่านพ้นไปใช้การเวลาให้เป็นประโยชน์ กินน้อยใช้น้อยทํางานมากอยู่ด้วยความเพียรพยายามไม่ไม่ก็ก็สรุปก็คือไม่ประมาทประการต่อไปคือทุกขตาทุกขตาแปลาเป็นทุกความเป็นทุกข์กความเป็นทุกตามปกติแล้วเราเรามองโดยทั่วไปแม้หนังสือที่เราเรียนเรากว่าเนี่ยเราก็เรียนแบบทุกขเวทนาไม่เรียนแบบทุกแต่ละ แรยว่ความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าทุกข์นี่คือภาษาศีลธรรมนะฮะภาษาศิตธรรมภาษาธรรมดาที่จริงตรงนี้เขาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเกิดจากจิตเราเฉยๆมันจิตเราไปยึดเอาเฉยๆม่นสบายหนาวจังถ้าเราไม่ไปยึดเราหนามันก็ไม่หนาเท่าไหร่หรอก แต่เราไปคิดตัวเองนะคิดตัวเองมันหนาแล้วหนาวใหญ่เลยยิ่งกอดอกยิ่งทำสันสันแล้วปากสันคอสันนี่ยสันกันใหญ่เลยจริงๆมันไม่หนาวมากขนาดนั้นนะใจมันเป็นบวกเข้านี่ทุกขเวทนาถามว่าเป็นทุกข์จริงหรือเปล่ามันก็มันก็ไม่นะมันไม่ใช่คือคืออย่าลืมว่าใจรักเนี่มันสากลแต่ทุกที่เราว่าเนี่ยทุกเวทนาไม่สากลในขณะที่คนหนึ่งเป็นทุกคนหนึ่งก็เป็นสุขอะ ลูกพ่อแม่เป็นทุกข์ลูกไปอยู่ในบานในผับในครับลูกมันเต้นรําอยู่ข้างในมันสนุกจะตายเลยเหนะ็นไหฮะเรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องเดียวกันคนหนึ่งเป็นทุกข์คนหนึ่งเป็นสุขเพราะงั้นทุกขเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจเราไปยึดเอาไปกําหนดเอาโดยความไม่ชอบไม่พอใจที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าทุกขขนันอุปาทานขันนะมันเกิดจากการยึดเอาเวทนาก็เป็นหนึ่งในขันนั่นนะฮนะ แต่ว่ามันก็อยู่ในกรอบตรงนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่สมบูรณ์ตัวที่สมบูรณ์นั้นท่านหมายถึงสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเป็นโซดเรียกไม่มีอะไรเป็นโส ด, โสดคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นในลําพังแต่มันจะเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเป็นปรูปธรรมเป็นนามธรรมนะฮะมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์นี้กร ร, รรมนิยามพืชนิยามธรรมนิยามอะไรแต่ละอุตติยามเนี่ยมันก็อยู่ในเงื่อนไขตรงนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังคือตัวกรรมมานิยามนะทำไมคนนี้ปัจจุบันมีอะไรล่ะมีหมอดูมีโ ง, ง, ง่เงงมีนรลักณมีอะไรแต่อะไรเยอะแยะหมดนะฮะทีๆ ท, ท, ทีเอามาใช้เราจะเห็นว่ามันก็ดูเฉพาะตัวข้างนอกแต่ไม่ได้สาวลึกไปถึงเบื้องหลังเบื้องหลังต้องสิ่งเหล่านั้นว่าจริงๆมันมาจากอะไรทําไมจึงเป็นอย่างนั้น ทำไมยังมีนิสัยอย่างนั้นจะมีความถนัดอย่างนั้นมีความโน้มเอียงอย่างนั้นแต่พระเจ้าทรงสอนลึกสาวขึ้นไปถึงตัวที่มาและที่มาไม่ใช่ที่มาชาติก่อนไม่ใช่วันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนเพียงอย่างเดียวมันหลายชาติหลายชาติก็กลายเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นอะไรอาสวะเป็นอาสวะเป็นบารมีก็แล้วแต่จะสายไหนนะฮะก็ทั่นแสดงว่มีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่มันทยอยกันมาเป็นคลื่น เป็นขึ้นเป็นธรรมะนิยามเห็นไเป็นธรรมนิยามเป็นแล้วก็มาประกอบก็บแล้วดูประกอบกับชนิดเป็นกรรมเป็นเป็นกรรมโยนิเป็นเป็นชนิดของคนเป็นประเภทของคนอะไรเนี่ยางคนตั้งสัตว์ทั้งสิ่งนะฮะประการต่อไปคือรักษาสภาพเดิมไว้ไม่ได้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรคงสภาพเดิม เราตักอาหารมาจากภาชนะที่เราปรุงมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วอพอใส่ในขณะนะนั้นตอนใส่ไปใหมมันก็เริ่มเปลี่ยนใช่ไหมว่าทุกอย่างนี่ที่จริงเราก็เห็นใจรักอยู่ทุกวันนะเห็นความไม่คงสภาพเดิมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่นั้นเป็นทุกข์เพราะงั้นทุกข์กับไม่เที่ยงเนี่ยมั น, ม, นมันจะบางอย่างเนี่ยดูแล้วคือคือซ้ํากันเพราะว่าจริงๆก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่นั้นก็เป็นทุกข์ ประการต่อไปนั้นคือจะมีการแผดเผาดิเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกลัาศณะทางอารมณ์สังคมสาภาพแวดล้อมสุขภาพภายในสุขภาพทางจิตอบมันเยอแยกไปหมดเลยเมื่อวานะมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านส่งไดอารี่มาให้ส่งมาให้ทุกปีนะฮะแต่ส่วนมากจะส่งมาหลังๆอย่างเงี้ย มันมีประโยชนสั้น ๆ, ๆที่ท่านรำพึงรำพันธ์มาท่านเป็นนักวิชาการที่เก่งมากนะฮะเราเสียดายทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากกะวังโดดเด่นเป็นหนึ่งในเมืองไทยนะคราวนั้นแล้วก็ถูกผู้ใหญ่รังแกย้ายไปอยู่ในจุดจุดอับที่ทำงานไม่ได้ท่านก็ตั้งอธิษฐานนะฮะว่าด้วยนนบุญกุศลอะไรต่หว่าในการต่อไปก็อย่ า, ยาให ไปเจอผู้บังคับบัญชาที่มีสุขภาพจิตผิดปกติคือมีริสยาอาฆาตนะฮะริษยาอาฆาตต่างๆลัวคนอื่นจะดีจะเด่นกว่าตัวเองและตัวเองอยู่ในที่สูงกว่าเลยก็ทำลายทตาการทำลายทรัพยากรของชาติใช้เหตุผลส่วนตัวแต่ว่าคนที่ถูกทำลายนั้นคือคนที่จะสร้างสรรงานให้แก่ประเทศชาติสังคมจะถูกแรงริษยาทำลายจะทาให้มีไม่มีโอกาสที่ชาต โดยรวมนะฮะก็เรียกว่าประชากรโลกนะ ว, นว่าท่านเระท่านเป็นเป็นเป็นหมอระดับโลกได้ประชากรโลกแทนที่จะได้วิชาการสาเหตุมันก็ต้องนั่งค้นคว้ากันใหม่ตั้งนานนะนะตั้งนานกว่ากว่าจะได้ซึ่งถ้าให้ท่านเหล่านี้มีโอกาสมันก็ต่อไปได้ต่อไปได้วันนี้คงจะไปไปแยกแล้วนะฮะนี่ก็เกิดขึ้นมาจากะร เหตุปัจจัยบางเกิดขึ้นมาทำลายเพราะว่าการเบียดเบียนการเสียแต่งจากภายนอกมันมั น, ม, นมันมีเยอะบางอย่างนี่เราจะวนก่อนไปที่ไหนนักศึกษาก็ถามถามเรื่องแพรรล บ, บาบเรื่องอะไรนะโจแอนอะไรที่ที่ที่คดีเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้ น, นครับ เราจะเห็นว่าเหตุปัจจัยตรงนี้เราอาจจะเป็นเรื่องอดีตกรรมที่ผูกกันมาก็ได้หรือว่าเรื่องเป็นปัจจุบันกรรมที่คนเหล่านั้นเขาสมหัวรวมหัวกันก็ได้หรือว่าสภาพแวดล้อมมันมันเป็นเงื่อนไขอะคล้ายๆกระหลับลงโปอะไรก็ได้มันก็มีเงื่อนไขแยะที่มันออกมันไม่ใช่นิ่งออกมาอย่างนั้นหรอกนานๆเราจะเจอข่าวในลักษณะนั้นแต่มันก็ออกมาแล้ว เร แ, แสดงว่าการถูกแผดเผาได้เงื่อนไขเหล่านี้มาจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยอดีตนะปัจจัยที่ประสมกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันก็ได้หรือว่าภายในจิตใจคนที่มีริษยาก็ได้ลิสยาก็ได้หรือว่ากินสินบาศสินบนระบบมันเยอะเหลืเอเนกะินเนี่ยสรุปว่าเมื่อสาวไปแล้วเราจะเจอไอ้เหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยอยู่เป็นอันมาที่นํามาสู่การแผดเผาเบียดเบียนหรือสร้างสารรค์ก็เหมือนกันนะฮะ ชีวิตจึงอยู่ในกองทุกข์มีความเล่าร้อนมีความทุกข์อยู่ตลอดจนถึงกระท่านพูดว่าทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นดับไปแต่ที่ที่เราไม่ค่อยทุกข์แต่เราปรับเปลี่ยนอย่างที่ว่าเนี่ยปรับเปลี่ยนกันได้ก็เลยก็บรรทโททุกข์ลงไปได้นี่ก็คือความเป็นทุกขตาประการต่อไปนั้นคือความเป็นอนัตตา ท่นเรียกอนัตตานะฮะตัวนี้ท่านาเรียกอนัตตตาเลยอนัตตตาแปลว่าความเป็นของไม่ใช่ตัวชี้ตัวปัญหาใหญ่เนี่มาจากเรารสึกเป็นเราทั้งหลายลองเราสังเกตถ้าเราสลายเราได้เนี่ยนะมันไม่มีอะไรเลยมายึดถือว่าเราเป็นคนใหญ่ไปยังไงก็ได้นั่งยังไงก็ได้ยินมยังไงก็ได้ไม่เห็นแปลกอะไรเห็นก็มีลงข่าวอะไรหลวงพ่อกเกษมมีรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยไปท่านเอาน้ําใส่กระป๋องนม กินันก็ชูกันได้ไม่มีอะไรมันก็คือการนั้นหมาน้ํากินอะไรกินกับใบไม้อย่างได้กินวัคกับมืออย่างได้แล้วมันจะแปลกอะไรมันมันมันเมื่อไม่ไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วเนี่ยข้อสำคัญใหญ่สุกุลปกเกลิกกันเลยนะให้สะอาดสะอาดหน่อยความเป็นอนัตตาต้องต้องต้องจับประเด็นตรงนี้ไว้อย่างหนึ่งว่าคนยิ่งเข้าถึงอนัตตาเนี่ยยิ่งยอมรับในอนตา นะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นที่จริงถ้าเข้าถึงอัตตาต่ดกดเกณฑ์ระเบียบวินัยเยอะเลยอั น, นัตตาทั้งนั้นในนั้นนะฮะเป็นอัตตาตอนนั้นอ่ะเป็นคนนั้นเป็นคนนี้คนนั้นจะต้องทําอย่งงางนั้นอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนีน้จะยอมรับทุกอย่างที่เป็นอัตตาเพียงแต่ท่านไม่ยึดตัวนั้นเองท่านไม่ยึดตัวนั้นเองแล้วก็ไวนะฮะพระพุทธเจ้าที่จะไว้มากในการบริหารหมู่คณะนีน้ตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เมื่อคืนเขโทรคุยกับสมเด็จที่วัดสเกตวันนี้จะนัดพบกันนะคือเป็นห่วงวาสนาว่านอนหลับไม่รู้นอนกู้ไม่เห็นกันอยู่ได้ยังไงอ่ะเนี่ยมันมีปัญหาเยอะทําไมไม่จัดไม่ทําไม่แก้ไขอะไรกันมันก็โทรคุยกันเรื่องนะั้นโทคุยผู้ใหญ่เมื่อคืนมาในรัฐธรรมนูญท้องสามภูโทรกันแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าพุทธเจ้านี่ยได้ยินเสียงนิดเดียวนี่เคยเล่าเนี่ยเรียกมันอนุทไปดูซิเคยทาอะไรยังกับชาวมงแย่งปลากัน ไม่ได้เลยอันนี้จริงเป็นอัตตาแต่เป็นเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาสังคมไม่ใช่เพราะอนาตตาลอยตัวไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอั น, นั้นไม่ใช่เขาเรียกขี้เกียจเขาเรียกขี้เกียจคนยังข้าถึงอัตตาเนี่ยจะสนใจในงานนะฮะเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่เป็นอันหลับอ น, นอนเลยทํางานดึกดื่นเช่้าคืนวันยี่สี่ชั่วโมงพักสี่ชั่วโมงเนี่ยี่ิบวันยี่สิชั่วโมงทํางาน สั่งสอนประชาชนเดินจงกรมอบรมพระเทพเวทีเวนาบาทไปเทศโอ้มัน่นดตหยุดเลยสี่สิบห้าปีนะทำอย่างนี้ห้าบเอ็ดปีนะจริงๆอ่ะนับตอนตอนตอ น, ตอ น, ตอนอยังไม่แต่สรยปีกหปีทําปีทำงานได้ยังงั้นเพราะนั้นคำว่าเป็นอนัตตาจึงหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเราควบคุมบังคับไม่ได้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ เราไม่อยู่ในอานาจของเราเราห้ามอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าปวดาัวก็มันก็เป็นเข้ามาอย่างที่มันเป็นแ่ละแล้วก็ขัดแย้งกับสิ่งที่เราชื่อว่าเป็นอัตตาตัวตนเอาก็จริงไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทั้งอย่ที่ว่าของเราของเราของเรานะเอตังมะมนั่ของเรานั่นของเรานั่นของเราไม่มีของเราไม่มีอะไรจริงๆเป็นของเราสักอย่างน คนฉลาดเนี่ยท่านจึงใช้เป็นของเราในรูปบุญเห็นมฮะมันไม่เป็นของเราก็ทำให้เป็นของเราในรูปบุญบุญเองก็ไม่ใช่ของเรานะพอถึงพอถึงนิพพานก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันเพราะว่าท่านต้องทิ้งบุญด้วยแต่บุญเป็นทางอาศัยเหมือนกับเราเดินทางต้องอาศัยยานผ่านนะแต่พอถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องทิ้งยานผ่านนะไปนั่งอยู่ในยานไม่ได้นะครับมันก็ขึ้นบ้านไม่ได้เพราะงั้น คนฉลาดจึงใช้วิธีการให้สิ่งเหล่านั้นเป็นของท่านได้นานๆทั้งๆที่จริงๆมันก็ไม่เป็น น, า น, า น, า น, านั่นนะฮะเราจึงมีระดับบุญท่านเห็นว่าระดับบุญเนี่ยที่จริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราตลอดเพียงแต่เราอาศัยเป็นหยาดเป็นที่พึ่งนะฮะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยในเส้นทางในสังสารวัฏและถึงจุดหนึ่งก็ต้องชิม พอย่อยไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเราจริงๆเป็นของเราจริงๆหรือเป็นตัวตนของเราจริงๆแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งนะสำคัญยิา ง, ยงว่าต้องมองคนอื่นด้วยความเมตตาเกล้าเพราะอย่างที่ตอนเ ร, รางกวัมฐานที่พูดเรื่องม ห, มหมาพาลตยุทธน่ะคาหมาพาลตยุทธพวกนี้ฆ่ากันตายเยอะเลยเพราะเขาถือว่าเป็นอนัตตาไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่ า, ไ ม, มาไม่มีผู้ถูกฆ่าบาปไม่มี บาปไม่มีบุญก็ไม่มีดาบมันก็เป็นวัตถุคนมันก็เป็นวัตถุวัตถุมันก็แทรกเข้าไปในวัตถุเลยฆ่ากันอุตลุดฆ่ากันเพลินเนี่ยนะฮะแล้วกลายเป็นที่ว่าจะศพอามาสอนองค์คริมาท่านท่านไปอ่านอ่านเรื่องการมรดกวัติุนีนะ่เราจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นรอยช้าในประวัติศาสตร์ปมนุษสชาติซึ่งภูมิจิตมันไม่ถึงภูมิธรรมมันไม่มีแต่มันไปบอกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตา เลยฆ่าคนกลายเป็นไม่บาปไม่ได้บาปนะบาปฆ่าคนมันก็ต้องบาปเลยดังนั้นเรื่องภูมิธรรมภูมิจิตเนี่ยมันจะเป็นตัวการสําคัญว่าภูมิจิตเราสูงเนี่ยต้องมีภูมิธรรมเป็นฐานแล้วภูมิธรรมนั้นจะ <c oughs> เขาเรียกว่ามีมนะฮะมีธรรมะมีเมตต า, ามีกุณามีอะไรอะไรมันกลายเป็นหลักของจิตใจ แล้วเวลาเขาแสดงออกเป็นการแสดงออกอย่างรู้เท่าทันตามความไมจริงอันนี้สมมตุตินั้นนิปรมัมัติปรมัติจริงๆมันอยู่ในใจปรมัตินั้นที่อยู่ในใจแต่ว่าสมมตินั้นเราสัมผัสกันโลกท่านจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระจิตจะใช้ากา ม, มาวาจรจิตสมนุนอภิธารมหน่อยนะใช้จิตภาษาธรรมดาธๆกันชาว บ, บ้านแต่าการศึกษาเรื่องเหล่านี้เอไวก็เพื่อจะ ให้สามารถลดละปล่อยวางบรรเทาความรู้สึกดูหน้าตนามาน้าทิจจิลงไปได้บ้างแล้วนั่นเองวันนี้ก็ขอจิตไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูุ์ในธรรมจะมีแด่ท่านสาธชนทั้งหลายโดยทักก่วกันทุกท่านถธอ